ที่ปฏิบัติม้มัก็ถูกหมดแล้วล่ะเดี๋ยวต้องเราก็สังเกตเห็นแล้วว่าขณะที่ไม่มีตัวตนมันเป็นอย่างไงขณะที่มีตัวตนเป็นอย่างไง <c oughs> ขณะที่ไม่มีตัวตนมันก็เป็นธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาติไปเลยเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแต่แล้วเดี๋ยวแต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวมันก็เกิด ไปสงสัยไปลังเลไปเอะอะขึ้นมามันก็กลับมามีตัวตนเราก็เห็นแล้วว่าความมีตัวตนเกิดจากอะไรแล้วก็ฝึกฝนนีฝึกฝนกลับไปใหม่เราเราก็สังเกตให้ดีๆว่าความมันมีตัวตนเกิดขึ้นมาก็คือเมื่อเราหลงไปปุงแตง่งหลงไปเป็นตัวปุงแต่งเองหลงไปคิดไปดินน้นรนไปสงสัยไปเอะอะไอ้มันคืออะไรไอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เออไปอยากเกิดไป มีความปรุงแต่งอยากให้มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ตลอดไปความอยากความปรุงแต่งความหลงไปเอาไปไปเป็นสังขารมนเลยทำให้เกิดมีตัวตนขึ้นมาขณะใดาที่เราเนี่ยไม่หลงไปเป็นสังขารไม่หลงไปปรุงแต่งไม่หลงไปดิดน้นรนไปค้นหาไม่หลงไปพยายามไม่หลงไปเอะอะไม่หลงไปอยากให้มันเป็นไปอย่างไร ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางก็ไม่ใช่ว่าไปพยายามดูพยายามรู้พยายามเห็นพยายามละพยายามปล่อยพยายามวางแต่ไม่เข้าไปยึดอะไรเลยได้แต่แค่สัตตวัรู้สัตววรู้ก็ไม่ใช่ว่าไปพยายามรู้อยู่คืออะไรเกิดขึ้นไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปเสวยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าว่างหรือไม่ว่างแม้แต่ความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนก็ไม่มีผู้เข้าไปยึดถือนี่แน่มันจะว่างจากความว่างจากผู้ยึดถือจริงๆ แต่ที่เราพลาดคือเมื่อเวลาเกิดความรู้สึกไม่มีตัวตนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเกิดความอยากให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโดยถาวรตลอดไปหรือไปเอรว่านี่มันคืออะไรเนี่ยแบบนี้ไม่เคยเจอสภาวะอย่างนี้มันเลยกลายไปเป็นสังขารตัวปรุงแต่งหรือกลายเป็นผู้มียึดถือมีตัวตนของผู้มีความยึดถือเข้ามาอยากให้มีความว่างอย่างนั้นตลอดไปความมีตัวตนก็เลยเกิดขึ้น หรือเอาวิชาเนี่ยเนี่ยอาวิชามก็เลยเกิดขึ้นตอนเนี้ไม่ยากแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ยากแล้วไม่ยากเพราะอะไรเราสเกตออกแล้วเราบอกอ๋อเอาวิชาหรือความรู้สึกมีตัวตนเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อขณะที่เราไปปรุงแต่งไปหลงไปเป็นตัวปรุงแต่งหลงไปคิดปรุงแต่งหลงไปดิ้นรนหลงไปอยากให้มันเป็นไปอย่างไรเอาวิชาหรือความรู้สึกมีตัวตนมันก็เลยเกิดขึ้นอ๋อเมื่อสิ้น ความหลงปรุงแต่งสิ้นความที่ไปเป็นตัวปรุงแต่งสิ้นอยากให้มันเป็นไปอย่างไรไม่มีการปรุงแต่งแม้แต่ปรุงแต่งจะเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นไปละไปปล่อยไปวางก็ไม่มีมีแต่รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะว่างไม่ว่ า, จวางจะสุขหรือทุกข์ไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครเข้าไปยึดถือให้ความสนใจให้ค่ายความสาคัญ ใจมันก็เลยจะว่างเปล่าไปหมดเลยเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปคืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเสี้ยววินาทีหนึ่งที่รู้สึกว่ามันว่างมากเลยมันเหมือนตัวตนไม่มีมันหายตัวไปเลยกลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปก็คือขณะนั้นนี่ยมันสิ้นความยึดถือเลยสิ้นความปรุงแตง่งสิ้นการที่เข้าไปให้ค่าให้ความสาคำให้ความมั่นหมายสาคัญมั่นหมายกับสิ่งใด ให้ความสนใจยึดถือให้ความสําคัญมานหมายกับสิ่งใดในขณะปัจจุบันนั้นใจซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ๆหรือจิตตั้งเดิมแท้ๆเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเขาก็จะกลายเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของเขาเองไม่ใช่ว่าเราไปทําให้ใจเนี่ยบริสุทธิ์เราทําให้ใจว่างเปล่าบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าและบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของเขาเองเพียงแต่ว่าเขากลับเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และว่างเปล่าไม่ได้ก็เพราะว่า มันไปปรุงแต่งไปยึดถือไปดิ้นรนไปค้นหาไปเอะอะไปอยากให้มันเป็นไปอย่างไรไปพยายามลุลละปล่อยวางไปพยายามพยายามพยายามไปดิ้นรนไปพยายามไปปรุงแต่งมันก็เลยกลายไปเป็นตัวปรุงแต่งตลอดพอเราไปกลายเป็นตัวปรุงแต่งตลอดมันก็กลายเป็นตัวเป็นอวิชชาตลอดเลยตอนนี้เป็นอวิชชามีตัวมีตนมันก็เลยไปสิ้นความเป็นตัวตนมันก็เลยอวิชชาความปรุงแต่งนี่แหละมันเลยเป็นอวิชชาแล้วเป็นเป็นเป็นควาเป็นตัวตนมากขวาง จิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแต่แท้ถึงเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติถ้าเราเข้าใจเหตุผลตรงนี้มันก็กลับคืนไม่ยากแล้วเราเคยเป็นอย่างนั้นนะ่ยมันก็กลับทางเก่าไม่ยากเออต่อไปต่อเราก็ฝึกฝนกลับไปต่อไปใหม่ว่าให้มันสิ้นความปรุงแต่งสิ้นความยึดถือสิ้นการเข้าไปให้ค่ายความสําคัญกับสิ่งใดใจมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติที่ว่างเปล่าที่เป็นความบริสุทธิ์ เป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์เป็นความสงบเป็นความว่างเปล่าโดยธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเนี่ยกลายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีความปรุงแต่งที่จะปรุงพยายามปรุงแต่งให้เป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติแต่เขาเป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติของเขาเองตรงนี้สําคัญมากเขาเป็นธรรมชาติโดยธรรมชาติของเขาเองไม่ใช่เราพยายามไปปรุงแต่งใจให้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ผิดมากเลยา ไ, ja ไม่สามารถปรุงได้ อย่างโยมเนี่ยคือพยายามจะปรุงแต่งใจให้เป็นธรรมชาติอันนี้ผิดธรรมชาติเราไม่สามารถปรุงแต่งใจให้ให้เป็นธรรมชาติได้เพราะว่าถ้าเราไปปรุงแต่งใจเป็นธรรมชาติมันเป็นปรุงแต่งชื่อมันก็บอกแล้วปรุงแต่งมันไม่อาจจะเป็นใจที่สิ้นความปรุงแต่งได้ใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติได้ต้องเป็นใจที่เราเนี่ยจะต้องไม่มีตัวเราเข้าไปปรุงแต่งถ้ามีความรู้สึกถ้ามีความปรุงแต่งดิ่นล่นค้นหาเอ๊ะสงสัยพยายาม ทำอย่างคุณพยายามนี้พยายามรู้ละปล่อยวางพยายามจะให้มันเป็นอยากให้มันเป็นอย่างน้นยากให้มันเป็นอย่างนี้พยายามคิดพยายามตึกตองพยายามหมกมุ่นอย่างเนี้ยมันกลายเป็นตัวปรุงแต่งตลอดเลยเป็นอวิชาเป็นตัวเป็นตนตลอดเลยเราก็รู้ท่าทันรู้ท่าทันเขาเมื่อลงไปกับการปรุงแต่งก็รู้ต่าทันแล้ววางลงรู้ต่อทันแล้วก็วางลงรู้ต่อทันแล้วก็วางลงไปเรื่อย จนใจเนี่ยไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายสิ่งใดไม่เข้าไปยึดถือให้ค่ายความสําคัญมั่นหมายกับสิ่งใดแล้วก็มันมีความปรุงแต่งอย่างไรก็ไม่เข้าไปยึดถือไม่พยายามไปดับความปรุงแต่งจิตเนี่ยมันมีความคิดความปรุงแต่งอย่างไรนะไม่เข้าไปยึดถือให้ความสําคัญมั่นหมายกับจิตที่มันเนี่ยมีความคิดความปรุงแต่งคือไม่พยายามไปดับเขาเพราะว่าถ้าพยายามไปดับเขามันก็กลายไปเป็นปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งไม่สิ้นความปรุงแต่งได้และที่สําคัญที่สุดก็คือ เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราจะไปยึดถือให้ค่าความสัมพัญธ์มาลหมายกับความไม่ปรุงแต่งนี่กับเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยไม่ไงั้นไม่อาจทุบได้เลยคือเราไปวางเป้าหมายไว้เลยไอยากให้มันถึงซึ่งความไม่ปรุงแต่งพอเราไปยึดถือความไม่ปรุงแต่งดักหน้าไว้มันกลายเป็นความปรุงแต่งตลอดเวลาเอาวิจามันเลยขวาง ควาเป็นตัวตนมาเลยความตลอดเวลาจะต้องไม่เข้าไปให้ค่ายความสาคัญบรรทัหมายแม้แต่ความไม่ปรุงแต่งที่รอดักหน้าไว้ไม่ไปยึดพยายามไปยึดถือใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่เป็นบริสุทธิ์ใจที่เป็นจิตจิตเดิมแท้แท้ไม่ไปยึดถือดักหน้าไว้เพราะไม่สามารถไปยึดถือดักหน้าไว้เพราะว่ามันต้องสิ้นความปรุงแต่งในปัจจุบัน มันถึงจะเป็นใจหรือจิตเดิมแท้ถึงเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งของเขาเองในปัจจุบันแต่ถ้าเราไปยึดถือใจที่ไม่ปรุงแต่งดักหน้าไว้ในอนาคตแล้วเราพยายามจะไปดับความปรุงแต่งทั้งหมดดับความคิดดับความปรุงแต่งทั้งหมดมันจะกลายเป็นปรุงแต่งปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งไม่มีทางที่ใจหรือจิตเดิมแท้ก็จะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้แท้ที่เป็นความสิ้นความปรุงแต่งได้เลยเขาไม่สามารถกลับคืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้เข้าใจไหม แม้แต่เนี่ยที่พลาดก็คือเราไปลังเกียจทุกข์เข้าพอไปเจอใจที่มันเนี่ยสิ้นความปรุงแต่งเคยเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วพอมีความทุกข์นิดหนึ่งเราทนไม่ได้ต่ทั้งที่ความทุกข์เมื่อก่อนเนี่ยเคยมากกว่านี้ตอนนี้พอเรามีความทุกข์น้อยหนึ่งนิดหนึ่งเราทนไม่ได้เพราะอะไรเราไปเคยเจอความไม่ปรุงแต่งตอนนี้เราก็ไปยึดถือสําคัญมั่นหมายกับความไม่ปรุงแต่งเลยตอนนี้เราเคยไปเจอใจที่เป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่แท้จริง โดยไม่มีการปรุงแต่งใดๆเลยนี้เราก็ไปยึดถือเลยตรงนั้นอนะ่ะเราอยากให้จะกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกตอนนี้มันพอมันทุกนิดหนึ่งเราทนไม่ได้เราพยายามหนีทุกเลยตอนนี้พยายามหนีทุกไปหาจิตที่ไม่ปรุงแต่งไปหาสุขเลยพลาดเลยตรงนี้เลยกลายเป็นว่าปรุงแต่งตลอดเวลาเลยตอนนี้จึงกลายเป็นทุกเลยทุกซับซ้อนตรงนี้ละเอียดมากนะผู้ปฏิบัติธรรมถึงตรงนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะไม่มีผู้ชี้แนะ ไปไม่รอดเลยตรงเนี้ยมันหลงวนเวียนนิดเดียวนิดเดียวแต่นิดเดียวนี่เนี่ยเส้นผมบางภูเขามหาสารเข้าใจไหมเนี่ยที่ลูกตาพูดเนี่ยอ๋อหมายพูดทีอธิบายทบทวนหน่อยทีค่ะค่ะเข้าใจค่ะเพราะว่าเหมือนใช่เหมือนเคยเกิดแล้วสักพักหนึ่งเหมือนมีความทุกข์เข้ามาเออเราอยู่กับมันไม่ได้เหมือนว่าเราเคยได้แล้วอ่ะเราเคยได้แล้วอ่ะทำไมอ่ะเราก็เป็นการปรุงแต่งทําไมเราไม่ได้อีกทําไมเรามันวุ่นวายขนาดนี้ทั้งๆที่เราเคยได้แล้ว นี่ค่ะที่ถูกต้องค่ะที่อาจารย์พูดแล้วก็จะกลับไปปฏิบัติรูเท่าทันปัจจุบันละปัจจุบันแล้วรู้หรือยังว่าตอนนี้เราหลงอะไรบ้างมาบอกสิอ่ะเราอ่านใจดูซิว่าหลงอะไรบ้างที่เนี่ยที่งตาพูดเนี่ยเราที่หลงหลงอยู่หลงอะไรบ้างเออบางครั้งหลงหลงอารมณ์หลงอารมณ์ตัวเองอยากเหมือนมันไม่ดีแล้วอย่างี้อยากให้มันดี แต่ถึงอยากให้มันดีมันก็เป็นการปรงแต่งหลงเกียิทุกรักสุอดีรักชั่วช้างเกียดทุกรักสุขมันเลยทนไม่ได้ทุกจริงๆอ่ะเนี่ยไปวางมันถึงจะเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะธรรมชาติของใจหร้อจิตเดิมแทนธรรมชาติที่บริสุทธิ์เขาเขาไม่ต้องไม่ดูดไม่ผักไม่ดูดไม่ผักอะไร ใช่ค่ตอนนี้เหมือนว่าเออห น, หนูเหมือนพยายามจะไม่ดูดไม่ผักแต่แต่หนูก็ยังทำตรงนี้สำคัญมากเลยหนูพยายามที่จะไม่ดูดไม่ผักเนี่ย <c oughs> ไะทา <c oughs> ก็เพราะอะไรหนูไปยึดถือความไม่ดูดไม่ผักไปใ ห, ให้ค่าความสำคัญกับความไม่ดูดไม่ผักไว้ในใจพูดง่ายยึดถือความเป็นอุเบกขาไว้ในใจแล้วเราก็ เข้าใจว่าเราจะไปถึงซึ่งความไม่ยึดถือคืออุเบกขาแต่ความจริงอะเรายึดถือความเป็นอุเบกขาไว้ในใจหรือยึดถือความไม่ยึดถือตรงนี้สําคัญมากนะคือเรายึดถือความไม่ยึดถือไว้ในใจเลยเราพยายามไปให้ถึงความไม่ยึดถือตรงเนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่ละเอียดจริงๆนะอ่านไม่ได้เลยแล้วผ่านไม่ได้เล ย, ลเลยต้องเป็นนักสังเกตจิตใจตัวเองตัวยงแล้วมาส่งกันบ้าน เราครูอบาอาจารย์ที่รู้จริงจริงเลยถึงจะถึงจะแก้ลํำได้และผ่านได้รู้สึกว่าเราบนอยู่ใกล้ๆเนี่คะอาจารย์มันไม่ไปไหนบนอยู่อย่างเงี้ยแต่ได้ข้อได้คำชี้แนะจากอาจารย์ก็จะไปปฏิบัติและปรับปรุงสาธตสาธุต